ัธาจริตศรัทธาแปลว่าความเชื่อจริตแปลว่าเที่ยวหรือทำหรือประพฤติฉะนั้นศรัทธาจริตก็แปลว่าจิตที่ชอบเที่ยวไปตามความเชื่อหรือทำตามความเชื่อหรือประพฤติตนตามความเชื่อได้ทั้งนั้นความหมายที่แท้ก็คือเอาความเชื่อออกหน้าหรือพูดอย่างไทยๆว่าบูชาความเชื่อการพิจารณาตกลงใจของคนเราทั่วไป อาจกระทำด้วยอนานาจต่างๆบังคับหรือหน่วงเหนียวชักจูงใจด้วยความกลัวเหตุผลความรักความโกรธแค้นเหล่านี้เป็นต้นทำให้คนตกลงใจทำอะไรต่างๆแต่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือความเชื่อจิตบังดวงพิจารณาโดยตกลงยกเอาความเชื่อขึ้นเป็นใหญ่เป็นข้ออ้างแทนที่จะคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่กลับคิดว่า เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อพอตนได้เชื่อแล้วก็ล่มหัวจมท้ายบูชาความเชื่ออย่างจริงจังมีกำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังความคิดอะไรๆก็ อ, อกทิศให้เพื่อรักษาความเชื่อของตนแม้ว่าคนอื่นๆจะพากันยิ้มยอะอยู่ก็ตามคนบางคนเชื่อว่าถ้าได้ทรมานตัวจนตายเพื่อพระแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ถึงกับเอาผ้าชุบน้ามันพันตัว แล้วเอาไฟเผาจนตายบางคนเชื่อว่าการทำทานนั้นจะไปบังเกิดผลเป็นสมบัติทิพย์คออยู่บนสวรรค์ร้อยเท่าพันเท่าถึงกับบริจาคข้าวของเงินทองทำบุญจนสิ้นเนื้อประดาตัวยังแถมขายตึกรามบ้านช่องเอาเงินไปทำบุญด้วยอย่างนี้ก็มีเพราะความเชื่อได้ชักจูงใจให้พิจารณาตกลงอย่างชนิดไม่ต้องห่วงหลังหลายปีมาแล้วพ่อจาได้ว่า ก่อนพศส4 8พัน้เขาลือว่ามีพระออกลูกที่โรงพยาบาลสิริราชตามเรื่องที่ว่ากันนั้นพระสง่์รูปหนึ่งจากหัวเมืองมาขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชเนื่องจากเป็นโรคท้องเตาครั้นหมอทาการผ่าท้องเข้าไปเกิดเจอเอาเด็กอยู่ในท้องเด็กนั้นยังไม่ตายยังอยู่ นงนอนร้องไห้ยอยู่ข้างๆพระรูปนั้นเองบรรดาท่านผู้ศรัทธาจริตทั้งหลายทั้งหญิงชายเท่าแก่แม่ไม้ไปดูก็เป็นการใหญ่แล้วแถมกลับมาเล่าอภินิหารของเด็กน้อยแปลกๆต่างๆวิเศษทั้งนั้นจนกระทั่งย่างเข้าวันที่7ที่เขาลือระบาดอยู่ข้าพเจ้าอดรนทนไม่ได้ไปกับเขาเหมือนกันเหลวได้ความว่า มีพระองค์หนึ่งเป็นโรคท้องมานหรือโรคอะไรจำไม่ได้แล้วแต่มาผ่าท้องที่โรงพยาบาลนอนอยู่เตียงสุดห้องแล้วที่ห้องถัดไปก็มีผู้หญิงคลอดลูกร้องไหอ้แวอูแว่อยู่ข้างๆเตียงพระเพราะคนปากอยู่ไม่สุขห็นเข้าก็ปล่อยข่าวว่าพระมีลูกคือไปคว้าเอาลูกของผู้หญิงมาเป็นลูกพระเล่นเอาพวกศรัทธาจริตแตกตื่นกันไปดู ที่ไปดูนั้นไม่ใช่ไปพิสูจน์ความจริงแต่ไปนมัสการผู้วิเศษสุภาพสตรีที่ข้าพเจ้ารู้จักดีคนหนึ่งบอกเป็นตูเป็นต่าว่าเด็กลูกพระมาปรากฏตัวที่บ้านมีรัศมีให้เห็นดูเถอถึงกับหินแสงเอาทีเดียวที่วัดสัมพันธวงศ์ในวงเล็บวัดเกาะสามแยกพระนครก็เคยมีคนแตกตื่นกันไปดูดอกบุกรอซึ่ง หรือว่าเป็นดอกบัวผุดขึ้นมาจากแผ่นหินหน้าโบสถ์เมื่อไม่กี่ปีมานี้เกิดตื่นเนนน้อยคนหลังไหลมาจากหัวบ้านหัวเมืองก็มีเรื่องตื่นข่าวตื่นของวิเศษตื่นคนวิเศษเป็นเรื่องของคนศรัทธาจริตตราบใดที่ยังมีคนศรัทธาจริตอยู่เรื่องรับมหัศจรรย์ก็มีอยู่ตราบนั้นทุกวันนี้ก็เลยเกิดมีคนจริตอะไรก็ไม่รู้ หากินกับพวกศรัทธาจริญอีกทีหนึ่งด้วยการออกหนังสือพิมพ์เสนอข่าวพิลึกคึกือครึ่งนรกครึ่งสวรรค์ครึ่งผีครึ่งคนเป็นต้นว่าข่าวคนออกลูกเป็นงูแมวออกลูกเป็นหนูเปรตร้องผีสิงพระผุดและอื่นๆว่ากันเข้าไปเพราะเขารู้ว่าคนศรัทธาจริญนั้นลงได้อัศจรรย์แล้วเสียเงินเสียทองก็ยอมปะเหมาะ นักช่วยโอกาสไม่ต้องลงทุนเลยก็ได้เพียงแต่ประกาศว่าเด็กน้อยนั่งหลับตาเห็นแจ้งทั่วจักรวาลพ่อใครตายแม่ใครตายกี่สิบปีมาแล้วไปอยู่วิมานหลังไหนเบอร์เท่าไหร่บอกได้หมดเท่านี้ก็เสร็จเรื่องคนศรัทธาจริตยอมสิโรราบกราบไหว้เท่าไหร่เท่ากันแม้ว่าผู้วิเศษบอกอะไรพลาดพลั้งบ้างก็ให้อภัย ไม่ยอมทำลายความเชื่อเพราะตนเทิดความเชื่อเหนือสิ่งใดเช่นเป็นต้นว่ามีผู้แกล้งถามว่านายแดงเวลานี้ไปเกิดอยู่ที่ไหนทั้งๆที่ทนายแดงก็ยังไม่ตายและนั่งฟังอยู่ที่นั่นเองท่านก็หลับตาไปเห็นว่านายแดงเวลานี้อยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ดังนี้เป็นต้นคนศรัทธาจริตก็เห็นว่าท่านผู้วิเศษไม่ได้ตอบผิดพลาดหาไม่ได้ แต่ท่านมีญาณละเอียดมากสามารถเล็งไปเห็นนายแดงอีกคนหนึ่งซึ่งตายไปเมื่อร้อยปีก่อนโน้นนี่เป็นตัวอย่างสมมติแสดงให้เห็นว่าคนศรัทธาจริตนั้นลงได้เชื่อแล้วยอมบูชาความเชื่อถนอมความเชื่อหัวเด็ดตินขาดเชิญดูตารางแสดงอารมณ์ของคนศรัทธาจริตอีกหน่อยตารางแสดงตัวอย่างอารมณ์ของคนศรัทธาจริต สิ่งที่ชอบอภินิหารข่าวมหาศจร์เรื่องนรกสวรรค์ตายเกิดตายสูญเรื่องลางของขลังหมอดูและอื่นๆสิ่งที่เกลียดคนที่คัดค้านหรือตำหนิติเตียนสิ่งที่เขาเชื่อศรัทธาจริตนี้เป็นพวกเดียวกันกับราคะจริตซึ่งจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าหาวิตกจริต คนมีวิตกจริตเป็นคนเจ้าความคิดไม่ใช่คนช่างคิดแต่เป็นคนคิดมากเมื่อเรื่องมันนิดเดียวแต่คนคิดคิดมากเกินไปก็เลยกลายเป็นคนเจ้าแง่ร่ำไรจู้จี้ในสายตาคนอื่นตามธรรมดาใจของคนเม่ยกอารมณ์หรือเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสู่ความคิดครั้นได้พิจารณาเรื่องนั้นแล้วใจก็ตกลงตัดสินเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างย่าง ตามที่ได้พูดมาตอนโทสะจริตในวงเล็บการยกอารมณ์ขึ้นคิดนั้นเรียกว่าวิตกส่วนการตัดอารมณ์เรียกว่าวิจารณ์ที่ว่าจิตยกอารมณ์ขึ้นสู่ความคิดและตัดอารมณ์นั้นนึกดูคล้ายๆเรากินข้าวตักอาหารขึ้นป้อนเข้าปากเคี้ยวหยกหยักพออาหารละเอียดก็กลืนลงคอไปแล้วก็ตักเอาคําใหม่เข้าปากเคี้ยวแล้วก็กลืนเหมือนกัน จิตรับอารมณ์ก็คล้ายๆป้อนข้าวเข้าปากแล้วกลืนลงท้องนั่นเองทีนี้คนวิตกจริตเพราะจิตได้อารมณ์สิ่งใดเข้าจิตแรงข้างวิตกคือตรึกหรือคิดมากเกินไปให้มีอันกังวลไปต่างๆนานาไม่กล้าตัดสินหรือตกลงใจหากจะเปรียบคนกินอาหารก็เหมือนคนเคี้ยวอาหารนานเกินไปไม่รู้จักกลืนสักทีลอดช่องช้อนเดียว ก็ทำพิธีการเคี้ยวอย่างกระกลิ่นอ้อยอะไรอย่างนั้นบุคคลประเภทวิตกจริตถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นเหมาะที่จะให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชั้นรองรอ ง, รองลงมาเพราะทำงานได้ถี่ถ้วนแต่ช้าสำหรับการทำงานในหน้าที่หัวหน้าสายงานไม่สู้เหมาะที่ว่านี้หมายถึงงานที่รวมกันทำระหว่างคนหลายๆสายยกตัวอย่างหน่วยทหารขนาดใหญ่จะจัดงานเรื่องๆ ร, ร, ร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้แทนหน่วยต่างๆเข้าประชุมเพื่อวางแผน ง, งานตามที่มอบหมายสมมติว่าให้กองขนส่งจัดพาชนะกองสื่อสารจัดเครื่องขยายเสียงกองพธิการจัดอาหารเลี้ยงดังนี้เป็นต้นผู้แทนหน่วยต่างๆที่เข้าประชุมนั้นคนใดเป็นคนวิตกจริตจะให้ความตกลงเก่ัที่ประชุมอย่างยากเย็นลงมติกันไปแล้วก็คุยเอาขึ้นมาอีกซ้ำๆซากๆ เพราะเขาสมมุติปัญหาติดขัดไว้มากมายจนใครๆคิดไม่ถึงยกตัวอย่างเช่นผู้แทนกองขนส่งที่เข้าประชุมนั้นเป็นคนวิตกจริตในปัญหาที่ได้รับมอบให้จัดอาจมีปัญหาโต้ตอบกับท่านประธานในที่ประชุมดังนี้จะใช้รถอะไรรถบรรทุกน้ำมันละ่ะเบิกจะเขรัยนยิกถ้าเผื่อเขาไม่อยู่ละ่ะอยู่สิวันทางาน ถ้าเผื่อเขาลาล่ะลาไม่ได้วันนั้นห้ามลาถ้าเผื่อเขาป่วยล่ะไม่ป่วยสิถึงป่วยมีผู้ช่วยถ้าผู้ช่วยเขาไม่ทราบเรื่องล่ะส่งคําสั่งไปแล้วถ้าเผื่อคําสั่งไม่ถึงล่ะรับรองจะให้ถึงสินะ่ะนี่คือประเด็นความคิดของคนวิตกจริตเป็นความจริงที่ว่าคนวิตกจริตกับคนวิตกจริตปรึกษางานกันมักจะตกลงกันไม่ได้ พอคนหนึ่งตั้งอุปสักสมมุติขึ้นว่าถ้าเผื่อมันเป็นอย่างนั้นจะทำอย่างไรอีกคนหนึ่งก็ให้ความเห็นเพียงว่านั่นสิที่สุดฝ่ายถามก็เลยนั่นสิแล้วก็เลยลงมติว่านั่นสิจบกันเลยมีคนวิตกจริตอยู่เป็นอันมากที่เข้าสู่การสมรสช้าเกินไปผู้ชายอยู่จนเป็นหนุ่มแก่ และผู้หญิงก็อยู่เป็นสาวแก่พระมัววิตกกังวลสารพัด ส, สงสัยว่าคนที่มาติดต่อสู่ขอจะไม่รักจริงจะไม่เลี้ยงดูจริงคิดแต่ถ้าเผื่อเขาอย่างนั้นถ้าเผื่อเขาอยา่างนี้ถ้าเผื่อเขาไปรักคนอื่นล่ะถ้าเผื่อเขามีเมียน้อยล่ะถ้าเผื่อเขาดุล่ะถ้าเผื่อเขาจู้จี้ล่ะผลที่สุดก็เลยตกค้างกลัวลูกตัวจกวนก็เลยต้อง อยู่ให้ลูกคนอื่นเขากวนอาการที่ใจลังเลห่วงหน้าห่วงหลังมากเกินไปและเกินเหตุเกินผลเป็นอาการของคนวิตกจริตคนประเภทนี้ไม่ค่อยกล้าได้กล้าเสีย 6. พุทธิจริตคาว่าพุทธิแปลว่าความฉลาดหรือความรู้พุทธิจริตแปลว่าท่องเที่ยวไปในความรู้แต่ก็ฟังไม่ค่อยสะดกหู ข้าพเจ้าอยากจะแปลอย่างง่ายๆว่าชอบใช้ความรู้ซึ่งเข้าใจว่าตรงกับความหมายดีคนเราทั่วๆไปบางคนก็ชอบใช้ความเชื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เอาความเชื่อของตนไปวินิจฉัยว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีโดยจำนองเดียวกันบางคนชอบใช้ความรักบางคนชอบใช้ความพอใจแต่คนผู้ที่จริตนี้ชอบใช้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องหาเหตุผลก่อนจึงตกลงใจแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพุทธิจริตแล้วจะเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้แต่หมายความว่าเป็นคนทำอะไรชอบใช้ความรู้ชอบใช้เหตุผลคือใช้เท่าที่มีอยู่นึกดูว่าคนบางคน ท, งทั้งทั้งที่มีตะเกีย ง, ท, งทั้งทั้งที่มีไฟฉายแต่ไม่ชอบใช้ ชอบไปไหนมาไหนมืดๆคนมีความรู้ก็เหมือนกันบางคนทั้งๆ ท, ท, ที่มีความรู้แต่เวลาที่ต้องทางานจริงไม่ชอบใช้ความรู้แต่ชอบริทำอะไรวิจารณานอกรูนอ ก, นอกทางอย่างนี้ก็มีส่วนคนประเภทพุทธิจริตนี้เป็นคนชอบใช้ความรู้หมายความแค่นี้เมื่อพื้นเพจิตใจของเขาเป็นคนชอบใช้ความรู้ ก็เลยกลายเป็นคนชอบหาความรู้ด้วยดังนั้นคนพุทธิจริตรจึงเป็นคนรักการศึกษาชอบหาความรู้ชอบครูบาอาจารย์และชอบสะสมตำรับตำราต่างๆนอกจากนี้ก็เป็นคนชอบคบปัญหาชอบค้นคว้าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่ลึกลับคลุมเครือคนพุทธิจริตรจะชอบสนใจเป็นพิเศษคือสนใจค้นหาข้อเท็จจริง ให้ hey, รู้เรื่องไม่เช่นนั้นจิตใจจะไม่สบายการที่เป็นดังนี้เลยทำให้เห็นไปว่าเป็นคนสู่รู้นอกเรื่องในบางคราวอย่างไรก็ตามคนที่มีพุทธิจิตเป็นเจ้าเรือนนับว่าเป็นคนชอบดีในทางการศึกษาและการทำงานในหน้าที่ซึ่งต้องใช้ความรู้ของตนแทนที่จะให้คนอื่นคอยบงการร่ำไปเชิญตรวจดูสิ่งแวดล้อม ที่เขาชอบต่อไปนี้ตารางแสดงตัวอย่างอารมณ์ของคนผู้ทิจริตสิ่งที่ชอบการอภิปรายโตวาทีหนังสือพิพิธภัณฑ์การประดิษฐ์กิจการสมาคมการแข่งขันการเมืองเรื่องลึกลับวิทยาศาสตร์ศาศสน า, าวัฒนธรรมและอื่นๆสิ่งที่เกลียดการนั่งเป็นพระอันดับ สิ่งที่ล้าสมัยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาการปล่อยชีวิตตามยถากรรมชีวิตที่ตายด้านการถูกกีดกันไม่ให้แสดงตัวเรื่องที่ไม่มีปมปริศนาความเชื่อประปราความปาดเถื่อนและอื่นๆจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าการทำงานเกี่ยวกับคนผู้ที่จริตจะต้องเปิดทางไว้ให้เขามีโอกาสได้ศึกษา หรือได้ใช้ความรู้ของตนเองเสมอเพราะว่าคนประเภทนี้เขาจะเกิดความภูมิใจแท้จริงต่อเมื่อเขาได้มีโอกาสใช้ความรู้ของตนเองเท่านั้นแม้ในการอบรมสั่งสอนที่ว่าคนผู้ทิจริตชอบคำอบรมที่แจ่มแจ้งชัดเจนด้วยเหตุผลแต่ความจริงถ้าผู้อบรมได้เข้าใจขมวดปัญหาไว้ให้คิดเป็นระยะ ะ, ยะเขายิ่งจะสนใจเป็นพิเศษ 15. เหตุเกิดจริตจริตหกอย่างตามที่กล่าวมาในบทก่อนนั้นบางท่านจะสงสัยว่าเป็นเนื้อแท้ดั้งเดิมของจิตมาอย่างนั้นตั้งแต่ปฐมปรรมกับกระนั้นหรือแล้วคนเราที่มีจริตยอย่างหนึ่งอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่ข้อแรกขอเรียนว่าจิตกับจริตนั้นคนละอยา่างมาคนละทางจิตเป็นธรรมชาติดั้งเดิม คือเป็นธรรมชาติผู้ให้สําเร็จความนึกคิดเท่านั้นทีนี้จริตเป็นของเกิดขึ้นในจิตในภายหลังแต่เกิดขึ้นชนิดที่ว่าชุบย้อมจิตให้แปรไปจิตก็คงเป็นจิตอยู่นั่นเองแต่เป็นจิตที่แปรคุณภาพออกไปจากเดิมเปรียบเหมือนผ้ากับสีมันมาคนละทางผ้าเป็นอันหนึ่งต่างหากสีเป็นอันหนึ่งต่างหาก เนื้อเดิมของผ้าแท้ๆก็คือเส้นได้ที่ขัดประสานกันเป็นแผ่นๆเท่านั้นถ้าผ้าถูกย้อมลงในสีแดงสีแดงก็เข้ามาเกาะเนื้อผ้าย้อมสีดำสีดำก็เข้ามาเกาะเนื้อผ้าสีที่เกาะนี้ไม่ใช่แต่เข้าไปอยู่ใกล้ๆผ้าหรือเข้าไปไล่ฉโลมอยู่นอกๆแต่ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเส้นได้ที่เป็นตัวผ้าทีเดียวสีที่ซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้าอย่างนี้ เราเรียกว่าสีย้อมส่วนสีที่เพียงแต่ฉโลมอยู่นอกเนื้อผ้าเราเรียกว่าสีเทาความเป็นไประหว่างจิตกับจริตก็เหมือนกับผ้ากับสีย้อมนั่นเองจิตเหมือนผ้าจริตเหมือนสีย้อมผ้ามาคนละทางแต่เข้าไปรวมกันอยู่อย่างสนิททีนี้พูดถึงเหตุที่ทำให้เกิดจริตในคำพีวิสุทธิมักซึ่งเป็นคมภีที่แสดงเรื่องจริตไว้ครบถ้วนกว่าในที่อื่น เท่าที่ได้พบมาท่านผู้รจนาวางหลักการศึกษาจริตไว้สามชั้นคือจริตเกิดขึ้นได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีจริตอย่างไรและวิธีทำให้สบใจของผู้มีจริตแต่ละอย่างในปัญหาประเด็นแรกท่านกล่าวไว้ว่าสําหรับสามจริตข้างต้นคือราคาจริตโทศชาร oh จริตและโมหจริตเกิดจากเหตุสองอย่างคือ จากสิ่งที่ถูกสั่งสมทับซ้อนอยู่ในจิตมาช้านานประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งจากความวิปริตทางร่างกายในคราวแสดงปาฐกถาเรื่องจิตข้าพเจ้าได้ยกเหตุประการแรกขึ้นแสดงเพื่อให้เข้าใจง่ายและไม่ฟั่นเฟือจนเกินไปในการแสดงข้าพเจ้าใช้วิธีพิเศษคือได้เอาความรู้จากตำราเข้าไปเป็นความรู้ของข้าพเจ้าก่อนแล้วจึงแสดงออกมาในภาษา และความรู้สึกที่เข้าใจง่ายๆสำหรับข่าวนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงในรูปนั้นอีกคือประมวลเข้ามาผนวกกันก่อนอย่าห่วงตับรานักเพราะท่านผู้อ่านก็คงไม่ได้มุ่งจะท่องจำเอาไปสอบเป็นมหาป ร, ริญยากันไม่ใช่หรือเอากันว่าให้เข้าใจและจำได้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่จะหมายความว่าข้าพเจ้าจะพาท่านออกนอกแบบนอกแผน เป็นสิทธิ์นอกครูหาไม่ได้เราคงอยู่ในขอบในเขตของตำรานั่นเองคล้ายกับว่าข้าพเจ้าขึ้นไปร้องรำอยู่บนเวทีให้ท่านชมข้าพเจ้าคงร้องรำอยู่บนเวทีนั่นเองแต่บทร้องและเพลงรำเป็นของข้าพเจ้าเหตุสำคัญจริงๆที่ทำให้จริตเกิดขึ้นในใจของตนได้แก่อารมณ์ที่สั่งสมหมักดองอยู่ในใจนั่นเองจริตไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างอื่น แม้ข้อที่ว่าจริตอาจเกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่งคือจากความวิปริตของร่างกายนั้นก็เป็นเพียงส่วนน้อยและเป็นเพียงผลซึ่งเกิดมาจากประเด็นแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นการศึกษาเหตุเกิดของจริตควรเพ่งเล็งประเด็นแรกให้มากการกระทําที่ทําให้เกิดอารมณ์สังสมหมักดองอยู่ในใจนั้นมี2 อ, อย่างคือกการอบรมในวงเล็บ อาพาวิตาขอการเสบคุ้นในวงเล็บอาเสวิตาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชี้ตัวเหตุที่ทำให้เกิดจริตจริงๆแล้วก็คือการอบรมกับการเสบคุ้นี่เองการอบรมได้แก่การที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหตุการณ์ถ้อยคำและอื่นๆสิ่งใดๆก็ตามเข้ามาสู่ใจ ทำให้ใจต้องคิดนึกตรึกตรองในสิ่งนั้นแต่ทั้งนี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ได้ เ, เกิดขึ้นแก่ใจอย่างซ้ำซ้ำซากๆไม่ใช่นานทีปีหนหรือเป็นการบังเอิญผ่านพบเป็นครั้งคราวการเสพคุ้นหมายถึงการที่ใจคิดถึงสิ่งใดๆซ้ำซ้ำซากๆเช่นอย่างเราคิดถึงพระตนตรัยบ่อยๆก็เรียกเข้าไปเสพคุ้นในพระตนตรยัยดังนี้เป็นต้น อิทธิพลการทำอะไรบ่อยๆ อ, อย่างไรก็ตามการอบรมที่ดีการเสพคุนก็ดีมีความหมายลงสู่จุดเดียวกันคือทำให้จิตใจได้คิดถึงสิ่ง น, นั้นบ่อยๆแล้วเกิดความเคยชินการทำอะไรบ่อยๆสาคัญมากมันมีอิทธิพลแปรสภาพของใจได้แม้จะเป็นการกระทำทีละน้อยละน้อยก็ตามแต่ถ้าทำบ่อยๆ จนจิตเกิดความเคยชินแล้วความยากก็จะกลายเป็นง่ายสิ่งที่ไม่เคยชอบก็ชอบสิ่งที่ไม่เคยติดก็จะติดในปาฐกถาเรื่องจิตข้าพเจ้ายกตัวอย่างมาแสดงหลายอย่างเช่นหนุ่มสาวแรกๆพบกันก็เฉยๆไม่รู้สึกรักแต่ถ้าได้พบปากกันบ่อยๆหรือพูดเอ่ยชื่อถึงกันบ่อยๆคิดถึงเพลงที่เธอร้องบ่อยๆ คิดถึงใบหน้าเธอบ่อยๆและอื่นๆหรือแม่สื่อนำเอาเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งมาเล่ากรอกหูบ่อยๆเพราะจิตใจถูกกระทบซ้ำๆซากๆจิตจะเกิดความเคยชินและประวัติไปถึงคนนั้นบ่อยๆชื่อและนามสกุลของเขาเมื่อแรกๆรู้สึกว่าจํายากเดี๋ยวนี้จําง่ายนิดเดียวเลขบ้านเลขโทรศัพท์ของเธอเมื่อก่อนต้องจดใส่สมุดไว้ เพราะจำไม่ค่อยได้แต่ต่อมาต่อมาก็จำได้แม่นมีอะไรขึ้นก็คิดถึงก่อนคนอื่นเสียด้วยที่สุดก็รักกันเพราะฉะนั้นแม่สื่อจึงทำงานได้ผลตั้งแต่โบราณกาลมาจนทุกวันนี้ซึ่งความจริงแล้วแม่สื่อไม่ได้ใช้หลักวิชาอะไรเลยเพียงแต่ทำให้เกิดความบ่อยๆขึ้นในใจของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเองดูเหมือนว่า ถ้าอยากบำเพ็ญตัวเป็นแม่สื่อแล้วใครๆก็ทำได้คือทำความบ่อยๆให้เขาเท่านั้นเองและก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันที่อีกฝ่ายอาจจะรักตัวแม่สื่อเสียเลยเพราะว่าแม่สื่อเองได้เสนอหน้าไปให้เขาเห็นบ่อยๆและแทนที่จะทำหน้าที่สื่อโดยเ อ, อ่ยถึงชื่อและความดีของคนที่เขาให้สื่อกลายเป็นเสนอชื่อและกล่าวถึงความดีของตนเองบ่อยๆ คือแทนที่จะทำตัวเป็นแม่สื่อก็เลยกลายเป็นแม่ชักทําให้รักเขาเขวไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใช้แม่สื่อก็ควรจะสะกดรอยดูแม่สื่อเสียบ้างตัวอย่างที่เคยยกมาแสดงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสัปปะเลอคนที่มีอาชีพเป็นสับปหเลอเคยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีจริงๆแกเป็นคนที่เกลียดสร้างศพมากแต่ด้วยความจาเป็นทางอาชีพ ไม่มีงานทำเงินไม่มีใช้ข้าวไม่มีกินก็เลยรับจ้างเป็นลูกมือสัเป ร, เรอโดนเข้าแรกๆกทรงตัวไม่ติดเลยทั้งโอก๊กทั้งอ้วกพระมันเหม็นจะยกศพแต่ละทีต้องผุดเข้าผุดออกตั้งหลายครั้งหลายหนไหนจะเหม็นไหนจะกลัวผีไหนจะเกลดิดศพแต่ครั้นจาเป็นต้องทำจำเจเข้าว ไม่กี่ศพความยากลำบากก็ชักน้อยลงน้อยลงแม้แต่กลิ่นเหม็นก็แทบจะไม่รู้สึกนี่ก็เนื่องจากอิทธิพลของความเคยชินของที่น่าเกลียดแท้ๆก็ไม่รู้สึกเกลียดเวลานี้แกปลูกกระต๊อบต่อเพิงยื่นออกมาจากกุ้ดังเก็บศพตั้งครอบครัวอยู่กินที่นั่นเลยโดยเฉพาะพวกเด็กๆซึ่งเกิดอยู่ที่นั่นหมดปัญหาเรื่องเกลียดศพและกลัวคนตาย หยิบศบอันไหนเรียบร้อยถ้าเชลักงามๆเขาก็ชักออกมาสำหรับวางสิ่งของบ้างให้ลูกทำโต๊ะทำกันบ้านบ้างอย่างสบายใจนี่เพียงฉันลูกจิตใจก็แปรไปเพียงนี้ถ้าเกิดลูกสัปเลยวัดนี้ไปแต่งงานกับลูกสับปเเลวัดนั้นออกลูกออกหลานสืบสันติวงศ์สัปะเรวความเคยชินทางใจก็จะกระชับแน่นขึ้นไปอีก ในทางอารมณ์ที่ทำให้ใจหวาดเสียวได้เคยยกตัวอย่างสุภาพสตรีที่ขวัญอ่อนเห็นเขาฆ่าหมูดูไม่ได้จะเป็นลมแต่ถ้าลองฝึกใช้วิธีดูบ่อยๆ บ, บ้างเช่นวันแรกลองดูเขาจับหมูใส่ฉลอมก่อนดูให้เห็นเป็นของธรรมดาจะเป็นว่าดูทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ได้พอเห็นเป็นของธรรมดาในตอนนี้ แล้วก็ขยับเข้าไปดูตอนเขาเตรียมจะดฆ่าในโรงฆ่าพอรู้สึกเสียวก็กลับเสียวันหลังค่อยไปดูใหม่ดูทีละนิดละนิดแต่ดูบ่อยๆจิตจะเกิดความเคยชินมากเข้ามากเข้าจนไม่รู้สึกอะไรเลยอาจเห็นเป็นการสนุกเสียด้วยซ้ําต่อไปไม่ช้าเขาก็จะฆ่าหมูได้เองอย่างสบายใจรวมความว่าทั้งเรื่องน่ารัก น่าเกลียดน่ากลัวถ้าไม่มีการพบเห็นหรือได้รับการอบรมและเสพคุณบ่อยๆจะแปรสภาพของใจได้ทั้งนั้นนักศึกษาและนักปฏิบัติทางจิตใจควรจะได้สนใจกับเรื่องบ่อยๆนี่ไว้ให้มากเพราะมันมีอิทธิพลในทางแปรสภาพจิตใจได้อย่างมหาศา์จริงๆไม่มีพ่อหนุ่มคนใดที่ได้รับความรักจากหญิงสาว ด้วยการออกปากขอความรักเพียงคําเดียวและเมื่อเฝ้าวอนบ่อยๆก็สำเร็จได้สูบบุหรีเพียงปีละมวนสองมวนสิบปีก็ไม่ติดบุหรีแต่ถ้าสูบบ่อยๆสูบทุกวันทุกวันวันละหลายหลายมวนสัปดาห์เดียวก็ติดบุหรีแล้วสุราการพนันคําหยาบและอื่นๆถ้าบ่อยๆแล้วเป็นเดืเรื่องทั้งนั้นข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าบ่อยๆนี่แหละ สำคัญนักอย่าได้ริล้อเล่นเข้าฉันรักเธอฉันรักเธอว่ากันบ่อยๆประเดี๋ยวก็รักกันจริงๆเท่านั้นเองด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันกับที่กล่าวแล้วใจของเราได้รับการอบรมจากสิ่งแวดล้อมชนิดใดบ่อยๆหรือเข้าไปเสพคุ้นกับสิ่งใดบ่อยๆจิตก็จะเกิดความคุ้นเคยและพึงพอใจในสิ่งนั้น แล้วก็เลยเกาะเกี่ยวพัวพันอยู่กับสิ่งนั้นการที่จิตท่องเที่ยววนเวียนไปตามอารมณ์ประเภทที่จิตชอบนั่นเองเรียกว่าจริตคำว่าจริตก็แปลว่าเที่ยวไปเช่นจิตเที่ยวไปในทางดีเราเรียกว่าสุจริตเที่ยวไปทางชั่วเรียกว่าทุจริตการเที่ยวไปของจิตนี้ถือเอาความว่าประพฤติก็ได้ ปัจ น, นี้ท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าจริตเกิดขึ้นในจิตของคนเพราะการกระทําบ่อยๆในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นนั้นว่าสำเร็จมาเปราะหนึ่งเจทั้งคลี่เปราะต่อไปคือปัญหาที่ว่าการกระทําบ่อยๆอย่างใดทำให้เกิดจริตชนิดไหน